บทที่5้าิบดซ้อมพร้อมสึกและพวกโยมจะพากันไปไหนล่ะไม่ไปกราบหลวงพ่อพร้อมๆกันหรือพระเจริรเหลยวหลังไปถาม เมื่อเห็นโยมกลุ่มที่มากับท่านกำลังเดินแยกไปทางขวาพวกผมต้องไปหาที่ปลดทุกก่อนครับอัานกันมาตั้งสองสามชั่วโมงแล้วเขาบอกมันจะทนไม่ไหวแล้วละจ้ะท่านประเดี๋ยวพวกฉันค่อยตามไปสตรีที่มาในกลุ่มอดครวณท่าทางหล่อนดูเหมือนจะอัานไม่ไหวอีกต่อไป ถ้าฉะนั้นอาตมาจะยืนรอพวกโยมอยู่ตรงนี้แหละเรียบร้อยเมื่อไรค่อยไปพร้อมๆกันท่านพูดพลางถือโอกาสวางกระเป๋าสองใบลงกับพื้นเลื้ออีกประมาณสิบว่าจะถึงกุฏิหลวงพ่อเดิมคนกลุ่มอื่นๆก็กำลังเดินตรงไปที่นั่นงั้นพวกเรารีบๆเข้าประเดี๋ยวท่านจะรอนานคนเป็นผู้นำบอกพักพวก คนเป็นพระยืนรออยู่ประมาณสิบห้านาทีพวกโยมก็พร้อมและก็พากันไปยังกุฏิท่านสมภารถึงแล้วจึงได้พากันนั่งต่อแถวพวกที่มาถึงก่อนพระหนุ่มสังเกตว่าผู้คนที่มาต่างพากันเช่ามีดหมอบ้างนางกวักบ้างเหรียญบ้างแหวนบ้างรูปหล่อหลวงพ่อเดิมบ้างเช่าแล้วก็นำมาให้ท่านเป่า ท่านก็เป่าให้พร้อมกับพูดว่าเพียงดีเพียงดีงดครั้นได้ของตามที่ต้องการแล้วคนเหล่านั้นก็พากันทยอยออกไปพวกที่ต่อแถวรออยู่ก็เขยบเข้ามารเรื่อยกระทั่งถึงแถวของกลุ่มโยมที่พระเจริญมาด้วยเมื่อได้เข้ามานั่งใกล้ๆพระนมมองพระภิกษุตรงหน้าด้วยความรู้สึกล้ายอย่าง อย่างแรกคือเลื่อมสายศรัท ธ, ธาอย่างที่สองเคารพยังเกรงและประการสุดท้ายต้องการฝากความหวังไว้กับท่านความหวังที่จะให้ท่านทำพิธีลาศิขาและบอกคาถาทำให้ผู้หญิงรักหลวงพ่อเดิมนั่งตัวตรงดูเด่นเป็นสง่าอยู่บนอาสนะรูปร่างท่านสูงใหญ่แบบนักกรบสมัยโบราณ ผิวค่อนข้างขาวแม้จะเหี่ยวย่นด้วยความชาราทะว่ากระดูมีราสีหากไม่รู้มาก่อนว่าท่านอายุร้อยสามปีพระเจริญก็คงคิดว่าท่านอายุประมาณเจสิบเศษและที่น่าแปลกก็คือในตาของท่านดูสุขใสาราวกับในตาของเด็กพระนมก้มลงกราบเบญจางขาปฎิบดิษสามครั้งเงยหน้าขึ้นตาประสานตา รูปที่หนุ่มกว่ารู้สึกครันเนื้อครันตัวด้วยว่าในตาที่ดูเหมือนตาเด็กคู่นั้นกลับมีพลังลึกลับหน้าเกรงขามจนท่านต้องเบนสายตาลงมองพื้นคุณมาอย่างไรล่ะหลวงพ่อเดิมถามภิกษุที่อยู่ตรงหน้ากล่าวกระผมมากับโยมเข้าขอรับมารถไฟจากลบบุรี พระนุ่มตอบเห็นท่าทางพระนุ่มดูประมาโยมคนที่มาด้วยจึงช่วยอธิบายว่าหลวงพี่ท่านมาจากลบบุรีครับเจอกันบนรถไฟโดยบังเอิญพบผมขึ้นที่สถานีบ้านหมีพอท่านทราบว่าพบผมจะมานมัสการหลวงพ่อท่านก็ขอมาด้วยไม่ได้รู้จักกันมาก่อนโยมคนนั้นฉลาดพอที่จะเอาตัวรอดได้ เขายังไม่รู้ว่าภิกษุที่ขอมาด้วยเป็นใครมาจากไหนหากท่านไปทำอะไรที่ไม่ชอบมาพากลความผิดนั้นจะได้ไม่ตกถึงตัวเขาหลวงพ่อเดิมเข้าใจความรู้สึกของโยมผู้นั้นขณะเดียวกันท่านก็รู้อดีตปัจจุบันตลอดถึงอนาคตของภิกษุที่นั่งตรงหน้าคุณมาจากอารามไหน ท่านถามพระเจริญกล่าวกระผมมาจากวัดพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีขอรับพระหนุ่มตอบพยายามพูดให้สุภาพที่สุดคุณเดินทางมาถึงที่นี่ก็เพื่อจะมาศึกกับเรียนคาถาทำให้ผู้หญิงรักเท่านั้นห ร, อหรือพระเจริญสะดุ้งที่พระภิกษุชาราล่วงรู้ความในใจของท่าน แม้จะอายหากศรัทธาประสทาทที่มีต่อหลวงพ่อเดิมก็เพิ่มพูนขึ้นท่านตอบเสียงอ่อยๆว่าขอรับกล้าวกระผมต้องการสองอย่างนี้เท่านั้นกล้าวกระผมรู้สึกเบื่อนายพิกขุภาวะเต็มทีแล้วพระหนมสารภาพเพราะคุณเกลียดพระแต่กล้าวกระผมไม่ได้เกลียดหลวงพอ่อท่านกล่าวแก้ ถ้าคุณเห็นพระไม่ดีเพียงรูปเดียวหรือว่าหลายรูปแล้วคุณก็รีบสรุปว่าพระเลวทุกรูปคุณจนเกลียดพระฝังใจการคิดเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งความดำริไว้ผิดท่านพูดเสียงเนิบๆพระเจริญไม่รู้ที่จะเถียงท่านว่ากระไรจึงนิ่งเสียคุณไม่ต้องไปถึงพิษณุโลกหรอก ที่นั่นไม่มีใครทำพิธีศึกให้คุณได้พระหนุ่มต้องแปลกใจอีกครั้งที่ภิกษุชราล่วงรู้ความคิดของท่านจึงพูดอย่างนอบน้อมว่าเข้าวกระผมขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ทำพิธีศึกเสียที่วัดหนองโพในวันนี้เลยนะขอรับช้าก่อนช้าก่อนวันนี้ไม่มีเริกศึก เอาไว้พูดกันพรุ่งนี้ดีกว่าคุณมาหนี่อยเหนื่อยไปพักผ่อนเช่ก่อนเดี๋ยวฉันจะให้คนมาพาไปที่กุฏิที่พักครูเต่าช่วยไปดูซิว่ากุฏิหลังไหนว่างอยู่จะได้ให้อคันตุ ก, กะพักท่านสั่งมัคนาโยกวัยหกสิบเศษที่นั่งอยู่เบื้องซ้ายมีกุฏิของท่านละ อ, อว่างอยู่ครับ ท่านเพิ่งสึกไปเมื่อสองวันก่อนครูเต่าผู้ทำหน้าที่มัคณายกรายงานดีแล้วช่วยพาอาคันตุ ก, กะของฉันไปพักด้วยคุณตามครูเต่าไปนะตอนข้าสงน้ำสงท่าเสร็จค่อยมาคุยกันที่นี่ เชิญพักผ่อนตามสบายภิกษุว103ัยหนึ่งร้อยสามปีบ่าออาคันตุกะครูเต่าช่วยภิกษุนมหิวกระเป๋าใบหนึง่งแล้วเดินนำท่านไปยังกุฏิหลังที่ว่างอยู่หลวงพ่อท่านดูแข็งแรงจังเลยนะครับโยมอาตมานึกว่าท่านอายุสักเจ็ดสิบเศษแต่โยมที่มาด้วยเล่าให้ฟังว่า ท่านอายุร้อยสามปีแล้วพระเจริญชวนคุยขึ้นก่อนแต่ท่านก็เดินไม่ไหวแล้วล่ะครับเวลาไปไหนมาไหนต้องนั่งเกวียนเล็กๆมีเนนคอยลากไปท่านนั่งเกวียนมาได้สามปีเขานี่แล้วมัคนายกบอกพระเจริญโยมเป็นมัคนายกวัดนี้มานานแล้วรึคนเป็นพระถาม เข้าปีที่ห้าแล้วล่ะครับตั้งแต่ผมกเกษียณใหม่ๆพอดีพ่อผมซึ่งเป็นอยู่ก่อนแกเสียชีวิตผมก็เลยเป็นแทนปู่ผมเป็นมคนายกวัดนี้ตั้งสิบกว่าปีพ่อปู่ตายพ่อก็เป็นแทนพอพ่อตายผมก็เป็นแทนแต่ถ้าผมตายคงสิ้นสุดกันแค่นี้เพราะผมไม่มีทายาทที่จะสืบทอดตำแหน่ง บุรุษวัยหกสิบเศษบอกความเป็นมาขอประทานโทษที่ว่าไม่มีทายาทพระโยมไม่มีครอบครัวหรืออย่างไรคนเป็นบรรพชิตอยากรู้มีครับผมแต่งงานตั้งแต่ตอนเป็นครูใหม่ๆแต่ไม่มีลูกเพราะผมเป็นหมันก็ดีไปอย่างจะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมกับใครเงินทองหามาได้ก็ทำบุญหมด เพราะไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมตายก็เอาไปไม่ได้ครูวัยหกสิบเศษพูดปลงๆเมื่อมาถึงกุฏิเขาจัดการปัดกวาดแล้วก็ถูพื้นสะอาดแล้วก็นิมนต์พระหนุ่มขึ้นไปพักผ่อนพระเจริญจึงให้ศีลให้พรในความเอื้อเฟื้อของท่านผมต้องขอตัวไปคอยรับใช้หลวงพ่อก่อนนะครับเขาบอกพลางกราบท่านสามครั้ง แล้วจึงลุกออกไปเมื่ออยู่ตามลำพังพระเจริญจึงจัดข้าวของให้เรียบร้อยตามนิสัยคนรักความเป็นระเบียบจากนั้นจึงส่งน้ำชำระร่างกายให้สดชื่นส่งน้ำเสร็จท่านก็เริ่มลงมือบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ออกจากบ้านโยมยายกระทั่งมาถึงวัดหนองโพแห่งนี้จดบันทึกเสร็จยังเหลือเวลาอีกนานกว่าจะค่า ท่านจึงถือโอกาสออกไปเดินสำรวจรอบๆวัดเพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่ตอนข้ามเมื่อภิกษุนมมานั่งต่อหน้าเจอเจ้าอาวาสอีกครั้งภิกษุชราเพ่งมองเขาอย่างพินิษท่านรู้ว่าเขาจะต้องครองผ้ากาสาวะต่อไปจนตลอดชีวิตและจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระาศาสนาตัวท่านรอคอยมาช้านาน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 พระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับเกร้ากับผมอยากทราบเรื่อศึกจะศึกเวลาเท่าไรดีขอรับพระหนุ่มทวงถามทันทีที่กราบท่านสมภารสามครั้งแล้ววันนี้ยังไม่มีเริกต้องรอพรุ่งนี้คือคำตอบเกร้ากับผมขอเริกพรุ่งนี้นะขอรับพระหนุ่มยังคงเศร้าซีเริกพรุ่งนี้ก็ต้องรอพรุ่งนี้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 หลวงพ่อเมื่อยไหมขอรับเกร้ากับผมจะช่วยนวดให้พระเจริญหาวิธีทำให้ท่านเมตตาดีเหมือนกันพระละออสึกออกไปเสียแล้วฉันเลยหาคนนวดไม่ได้คุณช่วยนวดให้หน่อยเถอะหลวงพ่อเดิมขอแรงพระหนุ่มจึงลงมือนวดให้ท่านอย่างตั้งอกตั้งใจ สมภารวัดหนองโพรู้สึกผ่อนคลายลงและลงความเห็นว่าฝีมือการนวดของพระรูปนี้ดีกว่าพระละออหลายเท่านักเวลาผ่านไปสามชั่วโมงหลวงพ่อเดิมหลับไปได้สามตื่น ในที่สุดจึงอนุญาตให้พระนมกลับกุฏิได้พระเจริญไม่วายทวงสัญญาหลวงพ่อขอรับกล่าวกระผมขอลาสิกขาในวันพรุ่งนี้นะขอรับไม่มีคำตอบจากหลวงพ่อเดิมพระนมจึงกราบท่านสามครั้งและเดินกลับกุฏิภิกษุชราแอบพูดในใจ พ่อหนุม่มเอ้ยยังไงยังไงเองก็ไม่ได้สึกกลับถึงกุฏิของท่านแล้วพระเจริญก็รื้อชุดขารวาสออกมาลองใส่กางเกงสีเปลือกมังคุดคับไปนิดนิดท่านคงจะอ้วนขึ้นเสื้อฮาวายตัวหลวมกำลังพอดีใส่ชุดคารวาสแล้วท่านก็สวมสายสร้อยผูกนาฬิกาวไวเลอร์ และที่จะลืมไม่ได้ก็คือใส่แหวนเพชรท่านบรรจงสวมแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายเมื่อต้องแสงตะเกียงเพชรเม็ดงามส่องประกายวูบวาบเสียดายที่ในห้องไม่มีกระจกมิฉะนั้นท่านได้ส่องดูความหล่อเหลาของตัวเองแม่ประยงเห็นเข้าคงจะตื่นเต้นยินดีเป็นที่สุด ร้านนมลุกขึ้นเดินไปเดินมาอยู่คนเดียวต้องซ้อมเดินเอาไว้ประเดี๋ยวจะเดินไม่สวยด้วยว่านุ่งผ้าเหลืองมาหลายเดือนเวลาเดินรู้สึกปร่ปงๆปร่ล่งๆสบายเนื้อสบายตัวครั้นมานุ่งกางเกงมันจะรู้สึกขัดขัด ข, ดขนๆขนจึงต้องหัดเดินให้สวยเข้าไว้สึกแล้วเราคงต้องอยู่ที่นี่อีกสักระยะหนึ่งเพื่อเรียนคาถา ทำให้ผู้หญิงรักท่านคิดวางแผนอนาคตได้คาถาแล้วจึงค่อยกลับบ้านและจัดการผู้ใหญ่ไปสู่ขอแม่ปรยงขอมั่นเอาไว้ก่อนจากนั้นอีกสามสี่เดือนค่อยจัดพิธีแต่งงานต้องทิ้งช่วงให้ผมยาวเสก่อนจะได้ดูไม่น่าเกลียดแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อนึกไปถึงเรื่องเรือนหอแต่งงานแล้ว เราจะอยู่กับใครล่ะโยมนวลแกก็มีลูกสาวคนเดียวคงไม่ยอมให้ออกจากบ้านมาอยู่กับเราอีกอย่างบ้านช่องแกก็ใหญ่โตโอถงเราคงพายโยมยายอยู่ด้วยได้ออกแล้วนางจำแลงขี้เมาจะเอาไปไว้ที่ไหนจะหอบยิ้วมาด้วยก็กลัวว่าทางฝ่ายแม่ประยงก็จะดูแคลนเอาครั้นจะอ้างว่าเอามาไว้เลี้ยงหลาน เราก็ไม่อยากให้มันเลี้ยงลูกเรารู้ว่าจะเมาทำให้ลูกเราตกบ้านคอหักตายหรือไม่ก็เอาเหล้ากรอกปากลูกเราลูกเราก็เลยกลายเป็นคนขี้เหล้าเหมือนป้าของมันโยมพ่อโยมแม่กำลังจะย้ายไปอยู่ตลาดปากบางเพื่อหนอีโจรผู้ร้ายถ้าอย่างไรเราก็ส่งนางจาแรงไปอยู่กับโยมพ่อโยมแม่ก็ได้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 จะจดจำไปทำไมให้ป่วยการสวดมนต์เสร็จก็ล้มตัวลงนอนไม่ลืมที่จะนอนกรรมฐานดังที่หลวงพ่อภูลสอนคือนอนกำหนดลมหายใจเข้าออกไปจนกว่าจะหลับเมื่อหายใจเข้าให้กำหนดว่าพุทธหายใจออกกำหนดว่าโทรพระหนุม่มนอนกำหนดพุทธโทพุทธโทไปเรื่อยๆ ก็ยังไม่รู้สึกง่วงจึงเปลี่ยนคำบริกรรมจากพุทโธเป็นประยงเมื่อหายใจเข้ากำหนดว่าประยงหายใจออกกำหนดว่าประยงท่านนอนกำหนดประยงประยงอยู่ครู่เดียวก็หลับยังมีความสุขใบหน้าแม่ประยงมาวนเวียนอยู่ในมโนนึกเวลาตีห้าพระเจริญตื่นขึ้นล้างหน้าแปลงฟัน แล้วก็เตรียมตัวออกบินทบาทท่านไม่คุ้นเคยกับสถานที่แห่งใหม่หากก็คิดว่าจะเดินไปตามพระรูปอื่นๆออกไปเห็นภิกษุที่อยู่กุฏิตรงข้ามกําลังออกเดินทางท่านจึงเดินไปหายกมือไหว้แล้วพูดว่าหลวงพี่ครับผมขอตามไปบินทบาทด้วยคนผมพระใหม่เพิ่งมาเมื่อวานจึงยังไม่รู้เส้นทาง คุณมาจากอารามไหนหลวงพี่รูปนั้นใช้คำถามเดียวกับหลวงพ่อเดิมคงเป็นเพราะอยู่วัดเดียวกันกระมังหรือไม่คำถามแบบนี้ก็เป็นแบบฉบับของวัดนี้พระหน่มคิดผมมาจากวัดพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับพระเจริญต่อแบบเดียวกับที่ตอบหลวงพ่อเดิมงั้นก็ออกเดินทางได้ หลวงพ่รูปนั้นเดินพระนุ่มเดินตามเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงภิกษุสองรูปก็กลับถึงวัดพร้อมอาหารหวานคาวเต็มบาทแล้วหลวงพ่อเดิมท่านฉันยังไงใครบินทบาทเผื่อท่านหรือเปล่าพระเจริญเป็นห่วงสมภารท่านไม่ได้บินทบาทมาสามปีแล้วตั้งแต่ท่านเดินไม่ไหวแต่มีญาติโยมนำมาถวายที่กุฏิทุกวัน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 แม้จะฉันเข้าไปแต่ละมื้อก็ต้องพิจารณาอาหารก่อนจึงฉันได้สู้เป็นขร้รหัดไม่ได้นึกอยากกินเมื่อไรก็กินเมื่อนั้นดึกเดินเที่ยงคืนอย่างไรก็ไม่มีข้อห้ามข้อจำกัดเป็นพระนี่ไม่ดีเลยน่าอึดอัดระอาเป็นที่สุดวันนี้แหละท่านจะได้พ้นจากพิขุภาวะอันน่าราคาญเสียที